ถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สันเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สันเสริญจงเรียนสันเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสันเสริญกับนินทาสันเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสันเสริญเราชอบ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 พอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระงับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าหลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อน